ามาดูการละอาสวะอีกสัก8ดหนึ่งครับข้อ ง, งออาสวะส่วนที่ละได้ด้วยการอดกลั้นภิกษุทั้งหลายอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหนาวต่อความร้อนเป็นผู้อดทนต่อความหิว ต่อความกระหายเป็นผู้อดทนต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือยุลงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเป็นผู้มีชาติแห่งบุรุษผู้อดกลั้นต่อคลองแห่งถ้อยคำอันหยาบคายอันว่าร้ายและเป็นผู้อดกั้นต่อทุกขเวทนาในกายที่เกิดขึ้นแล้วอย่างกล้าแข็งแสบเผ็ด เป็นผู้อดทนต่อการกระทบภายนอกไม่ว่าจะอุณหภูมิร้อนหนาวต่อสัตว์และแมลงสัตว์เลื้อยคลานนะครับต้องอดทนร้อนก็ไม่บ่นนะครับลูกของพระพุทธเจ้าร้อนก็ไม่บน่นร้อนก็รู้่าร้อนอย่าไปปรุงแต่งต่อร้อนก็ร้่าร้อนหนาวก็หนาวอดทนอดทนต่อคำหยาบคายว่าร้ายนะครับทั้งพระพุทธเจ้าทั้ง สาวกทั้งหลายโดนกันมาอุตลุดมีคนจ้างมายืนดา่าพวะเจ้าเจ็ดวันดาดทด า, ดาทก็จริงๆ จ, จ, จะว่าท่านอดทนก็มนไม่ใช่หรอกมันไม่กระทบอยู่แล้วล่ะกระทบมันไม่กระเทือนแต่ว่าพวกเราก็ใช้อดทนอดทนอดทนแล้วก็ไม่ปรุงแต่งละความปรุงแต่งอดทนละความปรุงแต่งมันสักพักหนึ่งก็จะมั น, นจะเป็นปกติก็ไม่เห็นเป็นอะไรร้อนก็ร้อนหนาวก็หนาว ฝนก็ฝนอดทนต่อทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นอย่างกล้าแข็งแสบเผ็ดตรงนี้เป็นการฝึกตนอย่างเช่นเรานั้งสมาธิอย่างเงี้ยกล้าแข็งแสบเผ็ดวันหนึ่งที่เกิดอะไรกับร่างกายนี้เราก็จะอดทนได้อย่างกล้าแข็งแสบเผ็ดไม่บน่นไม่ข่มครวนไม่ทุรนทุรายอดทนจนกระทั่งวันหนึ่งมันก็พ้นจากความอดทนไปก็ไม่ต้องอดทนก็แค่เข้าใจแล้วก็ ก็เป็นเวทนานะครับก็อย่าไปยึดมาเป็นของเราเวทนาก็เกิดได้แต่กายก็ไม่เกิดที่ใจนะครับก็เป็นระดับระดับไปอันนี้ก็คือจะทําให้อาสวะเนี่ยค่อยๆ อ, อ, อาหารของมันหมดอาหารมันจะได้อาหารตอนที่พอร้อนก็บน่นพอหนาวก็บน่นพอฝนก็บน่นตอนที่บ่นเนี่ยมันเป็นอาหารของมันหมดเลยขําครวนแล้วก็บ่น อ, อกมาเฮ้ยที่นี่มัน อ, อย่างเงี้ยมันก็กลายเป็น แต่ถ้าก็เป็นของมันอย่างนี้แล้วก็หยุดเนี่ยมันก็จะเริ่มกล้าแข็งแก้วกล้าขึ้นหรืออย่างที่เคยเล่าให้ฟังผมจำชื่อท่านไม่ได้แล้ะ แ, แต่ท่านมรณภาพไปแล้ะที่เคยอ่านหนังสือท่านก็ ท่านโดนวัดของท่านก่อละสร้างรั้วแล้วก็คนท้นที่ข้างๆก็มาด่าท่านด่าดาดาดา ด, า ด, าดาลูกศิษย์ของท่าน ก, ก็ก็เข้ามาด่าท่านอะนะเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งมีอีกคนหนึ่งมาจากแดนไกลมากราบท่านแล้วมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงเลยโอ้นั่งสมาธิสิบนาทีแล้วก็กราบท่านเนี่ยกราบท่านแล้วก็บอกว่า ท่านหลุดพ้นแล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ชื่นชมในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านก็คงมีญาณมีอะไรก็ไม่รู้ล่ะเสร็จแล้วก็นั้นก็กลับไปลูกศิษย์ที่ดูแลปฏิบัติก็เลยถามท่านว่าเมื่อวานเขาก็มาดา่ดาดา่ดาดา่ดาด่าด่าท่านโอ้โหดา่าเสียเสียหายหายเจ็บแสบผมแทบจะอดทนไม่ได้แต่ก็เห็นท่านก็ไม่ทําอะไรก็ยินเฉยเฉยส่วนวันนี้เขาก็มาชื่นชมยกย่องท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ก็ไม่เห็นท่านรู้สึกอะไรก็รู้สึกท่านเฉยๆทำไมท่านถึงไม่ยินดีบ้างเหรอที่เข้ามาชื่นชมหรือทำไมไม่ตอบโต้หรือมีโทสะบ้างขณะที่เขามายืนด่าเอาด่าเอาซึ่งเราก็ไม่ได้ทำผิดแบบนั้นท่านก็บอกว่ามลมปากคำเดียวเวลาโดนใครก็ ลมปากคลื่นเสียงมากระทบอย่าให้วิญญาณไปแปรคาดเป็นกูเป็นอะไรก็อืเออตรงนี้เขาก็ด่าถูกเหมือนกันเว้ยแต่ตรงนี้ด่าไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรพูดไปก็เสียเวลาเปล่าพูดไปมันกระเถียงกันหมเปล่าแล้วจก็แค่ถามเขาว่าจบหรือยังจบแล้วจะได้เดินไปต่อก็จะไป ทั้เสียเวลาลงนะรกไปด้วยกันทําไมขี่มันมีอยู่จานหนึ่งก็ในเมื่อเห็นแล้วก็กําลังกินอยู่ก็อย่าไปแย่งก็เลยอไม่งั้ว่าจะแย่งกินขี่กันหัวเเราอขมคือจออาศาวะส่วนที่ละได้ด้วยการเว้นพิกษุทั้งหลายอาศาวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการมดเว้นเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วย่อมงดเว้นจากช้างดุม้าดุโคดุสุนัขดุงูหลักตอขวากน้ำห้วยเหวบ่อของโศโครกหลุมอุจจาระและงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ไม่ควรไปและการคบพวกเพื่อนที่รามกอันวินยูชน เพื่อนพรหมจันทร์ด้วยกันทั้งหลายจัดไว้ในฐานะที่ต่ำสามพิกษุนั้นพิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ไม่ควรไปนั้นๆเสียและย่อมงดเว้นพวกเพื่อนที่ลามกเหล่านั้นเสียภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อพิกษุไม่งดเว้นด้วยอาการอย่างนี้อาสวะทั้งหลาย อันเป็นเครื่องคับแ้นและเล่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุงดเว้นอยู่อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแ้นและเล่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายนี่เรากล่าวาาาว่าอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะละเสียด้วยการงดเว้นบางทีดูตอนแรกผมดูข้อนี้เนี่ย ผมยอมรับว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงต้องบอกด้วยว่าเราไม่ควรนั่งในที่ช่างดูมา้าดูโคดูสุนัขดูงูหลักตอห้วยเหวอะไรเนี่ยซึ่งคนธรรมดาก็ไม่นั่งอยู่แล้วถูกไหมครับแต่เชื่อไหมว่าพอปฏิบัติไปสักพักมันเพี้ยนเพี้ยนจริงๆ เจองูรูปหัวได้หมาโอ้ยถ้าเราไม่เคยทำกรรมมากับมันมันจะกัดเราเล้ อ, อเฮ้ยไม่เป็นไรบ่อของโสโครกกับของธรรมดาก็เหมือนกันแหละแค่สิ่งกระทบไม่สามารถทำอะไรให้เราเคลื่อนไหวได้เชื่อไหมว่ามีจริงๆด้วย ปฏิบัติไปปฏิบัติมาแล้วคนเหล่านั้นไม่รู้ตัวด้วยว่าตัวตนขึ้นพระเจ้าเลยต้องสั่งห้ามไว้ก่อนยังไม่รู้อีกว่าที่ไหนควรนั่งไม่ควรนั่งปฏิบัติไปปฏิบัติมาเพี้ยนตัวตนขึ้นมาเต็มๆนึกว่าตัวเองไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่สิ่งเหล่านี้ทําอะไรท่านไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตัวตนมันขึ้น จะตายเอาสิมันงูกัดเอานี่ไม่เป็นไรคือแบบมันไม่ธรรมดาแล้วรู้เปล่าคือนี่มันเป็นตัวเป็นตนหมดนนั่งท่านจั่งหลุมอุจจาระอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมีภิกษุไปแบบไปนั่งข้างหลุมอุจจาระอะแล้วก็บอกว่าอะไรก็ทําเราไม่ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนสมัยที่หลวงพ่อชาเอามาเขียนหนังสือแล้วก็เล่าให้ฟังที่เดินท่านมี พระแล้วก็ฝนตกกุฏิหลังคารั่วแล้วก็ไม่จัดกุฏิเลยสกรปรกมากหลวงพ่อชาก็เลยเดินผ่านไปก็ถามว่าทำไมไม่ดูแลจัดปัดกวาดอะไรที่มันสะอาดเรียบร้อยบ้างเลยปล่อยให้มันเป็นอย่างเนี้ยพระรูปนั้นก็บอกว่าก็ผมปล่อยวางแล้วครับท่านก็บอกว่า ปล่อยวางอะไรอตอนนี้ใจผมปล่อยวางจากสิ่งเหล่านี้ผมเป็นอุเบกขาความสกรปรกเรื่องอะไรก็ตามทําอะไรจิตใจผมไม่ได้ท่านก็บอกว่าอุเบกขาควายอะสิไปรีบๆจัดกุฏิให้เรียบร้อยจะบรรลุธรรมเรื่องแค่นี้ยังไม่รู้อีกเหรอว่าอะไรควรทําเนี่ยเป็นอะไรไปนเนี่ยระวังนะปฏิบัติไปอย่าเพี้ยน ทีแรกผมก็พอเอาก็ยิงเห็นบาง ม, มันเพี้ยนจริงๆด้วยนะเนี่ยท่านถึงต้องดักเอาไว้ต้องถึงกับสั่งว่าช้างดุม้าดุโคดุสุนัขดุหลักตอหวยเหวงูไม่รู้ตัวเลยเนี่ชออาสวะส่วนที่ละได้ด้วยการเจริญทำให้มากพิก เอาละตรงนี้ก็คือการเจริญสัมโพชฌงค์นะครับลองดูก็แล้วกันต้องกรตัดไว้สัมโพชฌงค์ทั้ง7ก็เหมือนกับพอเริ่มเจริญสติเจริญสมาธิเนี่ยนะแล้วก็ทุกอย่างก็จะค่อยๆขึ้นมาอยู่ในระดับของสัมโพชฌงค์ก็ลองไปศึกษาดูนะครับเรื่องของสติก็เป็นสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะก็เป็นสัมโพชฌงค์คือเมื่อจิตใจตั้งมั่นมีกําลังกำลังกําลังกําลังขึ้นแล้วจิตก็จะเริ่มพิจารณาธรรม อันนี้ระดับของสัมโพชงเนี่ยจิตจะพิจาณธรรมเองละไม่ใช่เราพิจารณาความอิ่มใจความตั้งมั่ น, นอะไรลองไปศึกษาดูรู้สจะมีรายละเอียดอยู่สุทั้งหลายฉ อ, อาสวะส่วนที่ละได้ด้วยการบรรเทาภิกษุทั้งหลายอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ พิจารณาโดยแย บ, บขายแล้วย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบันเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งกรรมาวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอันบังเกิดขึ้นแล้วและย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบันเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลลามกทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้ว เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นอกุศลลามกท่านบอกว่าให้ละเสียไม่รับเอาไว้แม้แตเดี๋ยวมันเป็นพบเป็นชาติขึ้นมานะวางลงวางลงวางลงก็คือละไว้แหละที่อยู่ข้างหลังละไว้นะครับอ่ะก็เป็นการละอาสวะนานาแบบซึ่งพระเจ้าจัดเอาไว้ถ้าเราทําตามท่านได้ในทุกๆข้อเลยเนี่ย อาหารของอวิชชาจะไม่มีเลยเสร็จเ ย, ยว่แห้งหัวโตแน่เนี่ยเพราะมันก็จะอ่อนกำลังลงสติสมาธิของเราก็จะตั้งมั่นขึ้นโดยลำดับเพราะขณะที่กำลังละอาสวะเหล่านี้แสดงว่าเรามีความตั้งมั่นพอสมควรแล้วก็จะละไปเรื่อยละไปเรื่อยละไปเรื่อย